ไม่ได้พบ ก, กันนานเลยเนาะสำหรับรุร่นรุ่นสำหรับปีนี้หลวงพ่ อ, ร, อระมุกกาลาคุณพามีนาเมษา พุทส ภ, ภาก็ยังเข้ามาหลายเดือนตอนหลังในงานเยอะนะตัสถานที่นี้หลายๆท่านคงจะรู้จักแล้วหลายท่านก็ยังไม่รู้จักที่ใหม่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้ที่โรงเรียนรั่งรุณสถาบนาสสันสมศิลที่อบรมอยู่สองสปีเรามาก็นอกจากาคณะครูอาจารย์แล้วก็มีคนนอกเข้ามาแจมด้วยกลุ่มก็ใหญ่ขึ้นฐานที่ไม่พอจุดแรกก็ใช้บ้านของอาจารย์ประพัดเป็นที่เจริญสติกันเราเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เข้าอยู่เลยเกิดที่นี่ ขึ้นนะระยะเท่าไหร่สปีได้ไหมกผมองตามเลยพ่อเขาทามาสองสามปีมาปีที่3เนี่ยเขาขั้งานเยอะขึ้นปีนี้มกระลาเนาะมกราลาไม่ได้มามกระลาข้ามไปอเมริกาก็กลับมาทีก็เดินมามีนาพอเมษาก็งานข้างนอกเยอะไปหมดกลับเข้ามาก็มีนามีวิภาก็เหลือเวลาอีกแค่4ี่วันก็เลยคือจุ้มบอกว่าในในก็ขาดไปหลายเดือนแล้วเข้ามาก็แทนที่จะได้7วันก็ได้สีวันเพราะต้องเดินทางกลับเพราะฉะนั้นงานก็จะเวียนไปรอบๆทาง เอเชียยังยุโรปทางอเมริกาก็ไปกันตลอดมาหลายปี น, นี่เพราะว่าปัญหาของมนุษย์เกี่ยวกับดานควาับแค้นความเครียดทั้งนั้นร่างกายและจิตใจมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าความที่เราเจริญในด้านวัตถุนิยมแล้วก็ที่สำคัญก็สื่อต่างๆเนี่ยมันไปแบบไร้พรมแดนจริงๆเพราะนั้นความาวุ่นวายสับสนข อ, ของอีกประเทศหนึ่งมันก็ทะลุถึงประเทศหนึ่ง ความเป็นความตายปัญหาวิกฤตของประเทศหนึ่งเขาทะลุไปถึงกันหมดดังนั้นความเพิ่มความเครียดมันก็เพิ่มสูงขึ้นในระดับต่างๆจนกระทั่งเราไม่มีที่พักของจิตใจจิตใจของเราก็ถูกความคิดมันตีกระเจิงไปตลอดทุกๆวัน ไม่มีที่พักเลยนะด้านจิตใจแต่ว่าขณะเดียวกันแล้วก็หาที่พักผีงาศัยทางด้านกายภาพด้านร่างกายเนี่ยมันคงยิ่งขึ้นบ้านใหญ่โตรูละแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่บ้านเลยกลับมาอีกทีก็ดึกดื่นแต่เช้าก็ไปบ้านของเราก็กลายเป็นที่อยู่ของคนใช้และคนบริการเพราะนั้นเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านทางกายทางด้านจิตใจจริงไม่มีที่อยู่เลยก็คือคิดกับคิดอ่ะก็ก่อให้เกิดว่า เราก็รู้ว่าเอ๊ะเราคิดเฉยๆไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ความจริงมันมีเหตุมันต้องมีผลมีผลออกมาเป็นความคิดมันต้องมีเหตุว่าทําไมต้องคิดระหว่างความคิดกับไม่คิดไหนสบายฝ่าแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันถ้าไม่ได้คิดเราสึกไม่สบายระหว่างนอนเฉยๆกับได้ทํางานรู้สึกนอนเฉยๆไม่เป็ น, นต้องทำงานตลอดเออมันมันก็กลับกันใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันมธรรมชาที่แท้จริงคือการได้พักผ่อนสบายก่าการได้ทํางานก็รู้สึกหนักดังนั้นเมื่อภารกิจ ทางด้านจิตก็ตจิตวิญญาณของเรามีความวุ่นวายความสับสนก็เกิดความเ ร, าร่นานร้อนแล้วน้านจิตใจร้อนแล้วคิดจนเป็นนิสัยจนเป็นบุคลิกจนเป็นชีวิตมันก็ทําให้ชีวิตนี้เพิ่มความร้อนสูงขึ้นเมื่อมันเพิ่มความร้อนสูงขึ้นแล้วเราจะทำไงลดความร้อนลงปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานตั้งแต่มนุษย์เกิดละแต่ว่ามันเพิ่มความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆแต่สมัยครั้งอุตการอุตจทศ เกิดมาท่านก็เจอปัญหาเดียวกันนี่แหละความร้อนออกมาในรูปของความคิดนะความร้อมการสั่นสะเทือนการกระทบกระแทกต่างๆระหว่างอายตนะทั้งหกของเราซึ่งเมื่อวานมาชุดหนึ่งเมื่อวานหลวงพ่อมาถึงก็มีกลุ่ ม, มาาประมาณสักส0บกว่าคนเข้ามาศึกษาเรื่องนี้กลับไปแล้วดูเหมือนว่าตรงนั้นเราได้เริ่มปฐมนิเทศไปชุดหนึ่งชุดนี้มาใหม่ก็ไปปฐมนิเทศกันใหม่แต่อาจจะคนลมิติเนะเพราะว่าในจุดกระทบของ ตัวเราที่ก่อให้เกิดความร้อนในร่างกายในจิตใจของเรามีถึงหกจุดใช่ไหมอากระทบรูปก็เกิดความร้อนร้อนเพราะความอยาก และความชอบหรือเป็นความไม่ชอบความชอบใจที่ทําให้ร้อนไหมเช่นเราชอบใจที่จะหาเงินทํางานตากแดดก็ยอมใช่ไหมว่าเราทํางานหนักก็ยอมเพราะเราชอบชอบกว่าค่าชั่วโมงมันสูงค่าแรงวันมันสูงใช่ไหมเพราะนั้นอดทนอดการอดทนเงื่อไหลไครพังไงก็ยอมความร้อนก็เกิดเพราะความรักก็เพราะรักลูกรักสามีภรรยาแล้วเราอดทนทํางานทั้วันก็ร้อนใช่ไหมเนี่ความรักก็ก่อนเป็นเกิดความร้อนไม่ต้องพูดถึงความเกลียดนะเกลียดความไม่ชอบก็ยิ่งร้อนใหญ่บวกกันไปตรงนี้เองชีวมนุษย์เกิดมาครั้งหนึ่งมันไม่น่าจะร้อนถึงขนาดนั้นนะมนุษย จ้าถึค้นพบในที่สุดของความร้อนเรียกว่าอะไรความเย็นใช่ไหมเย็นแบบไม่ต้องเปลี่ยนเป็นร้อนอีกอก่แต่ไอ้ความเย็นที่เราพบดูวันนี้ความเย็นที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นความร้อนความสุขพร้อมที่จะเป็นความทุกขาก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ว่าร่างกายของเรามันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เวลาเราไปสวดในอธิตะปริยสูตรนะรูปตาอธิตารูปเป็นของร้อนโสตาอธิตาหูเป็นของร้อนจิวหาอธิตาจมูกเป็นของร้อนพระจิวหาไม่ใช่คานาอธิต ตาจมูกเป็นของร้อนชิวหาทิตฐิริ้นเป็นของร้อนกายาอาทิตากายเป็นของร้อนมโนอาทิตโตใจก็เป็นของร้อนเป็นที่ตั้งของความร้อนตามกฎของอะไรทะเลลักใช่ไหมนิจังทุกขานา ต, ตาดังนั้นเองหน้าที่ของเราที่เป็นมนุษยนะ์ก็มาเกิดมาเพื่อเราต้องการสแสวงหาความร้อนหรือความเย็นความเย็นนําไปสู่ควา ม, มความสุขใช่ไหมความสุขความสบายแต่สิ่งที่เราทําทํามันเป็นเรื่องร้อนทั้งนั้นมันจะไปสู่ความเย็นได้ไหมไม่ได้เราต้องการอย่างหนึ่งแต่เราไปทําอีกอย่างหนึ่ง เราไม่เราไม่ไปทําในสิ่งที่เราต้องการความอยากความอยากได้กับการเสียสละอันไหนเป็นของเย็นอันไหนเป็นของร้อนสิ่งไหนทําให้ใจเย็นในใจร้อนระวังความอยากได้กับความรู้สึกเสียสละอั น, นเสียสละเป็นความรู้สึกที่เย็นใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ ควรู้สึกทั่วไปความพิสูจคนทั่วไปต้องการอยากได้หรือต้องการเสรียสละนี่ถึงบอกว่าเราทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการความรักกับความชังอันไหนเป็นของร้อนอันไหนเป็นของเย็นเอออันนี้ต อ, อ, นนย อ, อ, อ, อบยากนะพิจารณาให้ดีนะ<ม><ม>พิจารณาให้ดีความรักความชังความรักตรงข้ามกับความชังไหมความรักเฮ<อ>รักเราเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่มีความรักไม่เดือดร้อนเลยนะตั้งแต่มีความรักลูกรักผัวรักเมียเดือดร้อนถ้ามาหากินเดือดร้อนอแย่งคู่กันเดือดร้อนในการอีกเช้าพยาบาทเดือดร้อนในการนอกกายนอกใจกันนีไหมเดือดร้อน ไม่ทั้งที่เกิดมาจากความรักเพราะนั้นความรักเป็นของเย็นได้ไหมแต่ในพุทธศาสนาความรักก็เกิดความร้อนความชังเปิดความร้อนแต่กันไม่รักไม่ชังแต่หากที่มันเย็นไม่ต้องรักไม่ต้องชังกับใครก็ได้ใช่ไหมแต่เรารักคนนี้เราชังมันอยู่ด้วยกันลําบากดังนั้นเราจึงมาทําให้มันตรงประเด็นที่มาปฏิบัติเนีเราต้องการความเย็นทีนี้ในความเย็นมีจริงไหมตามหลักวิทยาศาสตร์ความเย็นมีไหมไม่มีมีแต่ร้อนน้อยลงใช่ไหมมีร้อนน้อยลงเพราะมันตรงมันตรงกับคําหลัก สาสตร์ที่พุทธเจ้าคุณพบ ว, ว่าชีวิตนี้ในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยมันไม่มีความเย็นมีแต่ความร้อนเพราะนั้นร่างกายหรือรูปทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ตั้งของการเปลี่ยนแปลง เป็นที่ตั้งความร้อนความแปรปรวนเป็นที่ตั้งการแตกดับนั้นรูปทุกรูปมันก็ อ, อยู่ในกฎเดียวกันหมดเป็นที่ตั้งของความ <c oughs> เล่าร้อนแ <c oughs> ปรปรวน <c oughs> เปลีปป่ยนแปลงตลอดนั้นร่างกายของเราก็เล่าร้อนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทางกายเป็นโดยธรรมชาติเกิดมาทุกคนก็ต้องอยู่ในกฎนี้หมดเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับไปทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มาค้นพบว่าเอ๊ะท่าร่างกายมันปล่อยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเลาร้อนจะทํายังไงไม่ให้จิตใจมันเป็นอย่างนั้นด้วยนี่อันนี้คือการดตบดวงการแสวงหาว่าถ้าเรารร้อออนนนนแปปปวยู่งงตลดมัก็็จะเ ตลอดกับตลอดกันไม่มีโอกาสที่จะเย็นได้เลยมันมีวิธีไหมท่านก็บอกค้นหาตัวแรกท่านก็ไปหาครูหาอาจารย์1 0ึ่อาจารย์ที่สุดมาพบอาจารย์สองท่านว่าน่าจะมีวิชาดีที่สุดอาจารย์อะไรนะอาจารย์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะแยกดวมาเป็นอาจารย์ของตัวเองเ่ยใครเป็นอาจารย์ชาวพุทธนะต้องชาวพุทธร้วัดได้ใครเป็นอาจารย์ครูสุดท้ายของพระพุทธเจ้าผู้ใหญ่ได้ยินมไหมไม่ได้ยินหัวหัอ้อมจําได้เนาะ ใครเป็นอาจารย์คู่สุดท้ายของพุทธเจา้าไม่ได้เธอต้องจำได้ <laughs> <laughs> เธอมันครูสอนนะ <laughs> ถ้าเด็กวันถามแล้วเจอกว่าไงทำท่าจำไม่ได้จําได้อยู่เนี่ยนะมาลองฝูมกันไม่ได้อาราอะไรงั้นนี่อาราเรบทก็อุตส่กันราบทใช่ไหมเราไปศึกษาทั้งสท่านเพื่อต้องการหาความสุขเย็นที่สุดท่านเจอไหมเจอเหมือนกันแต่เจอว่าเย็นเกินไปพอเย็นเกินไปมันแสดงว่ามีร้อนด้วยใช่ไหมเมื่อไรความเย็นคลายก็เปลี่ยนเป็นความร้อนบอกมันก็ไม่ใช่ความเย็นก็เปลี่ยนเป็นความร้อนความร้อนก็เปลี่ยนเป็นความเย็นความสุขก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ความทุกข์ก็เปลี่ยนมันก็ยังออกจากวัฏจักรไม่ได้ในที่สุดนั่นบอกว ในการแสดงหาแบบท่านเหมือนกันนะและชวนเป็นอาจารย์สอนด้วยกันบอกไม่ใช่เพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะหยุดความร้อนได้ ผมอยากจะหยุดความรอ้อนถ้าเย็นสนิทตลอดไปนี่ทำไงมันไม่มีอ่ะมันจบแค่นี้ละสมาบัติ7สมาบัติ8ดอาราธระบทรู้ถึงความเย็นสูงสุดได้แค่ระดับเจแต่ความเย็นสูงไปกว่านั้นในระดับ8ดท่านก็ไปถึงระดับแปดก็ไม่เย็นพรช่วงที่อยู่ในความสงบความเย็นมันก็ดูเหมือนเย็นดีพอออกมาจากนั้นชีวิตไม่ใช่มานั่งทําสมาธิานั้นตลอดเวลาได้ใช่ไหมต้องทำมาหากินต้องทํานู่นทําเนี่ยพอกลับมาทํานู่นทํานี่ทำม า, ากินมันก็ร้อนอีกอ่ะมันไม่ใช่ท่านบอกไม่ใช่ที่สุดถ้าก็เนี้ยออกมามาหางงด้ววยตัเอ ทางนี้เรียกว่าทางอะไรบำเพ็ญเพียรทางจิตใช่ไหมบำเพ็ญทางจิตเลยก็มานั่งดูตอนที่มาบำเพ็ญเพียรทางจิตนี่ท่านบอกว่าก่อนที่จะมาลึกตรงนี้ได้ตามประวัติศาสตร์ตาม ตามประวัติศาสตร์บอกว่ามีพระอินทร์ใช่ไหมที่เป็นสายทำเก่าของท่านลงมาดีพินสามสายว่า ง, งั้นไปไดินเนาะสายสายที่หนึ่งไปไงดีแล้วไปไงหมุนเต็มที่เนาะตึงขาดเพราะมันหมุนเต็มที่หมุนห้อยกลับลงมาไปไดีก็ย่อนเกินไปที่ท่านก็มาปรับที่ดินแต่ว่าตรงประวัติเนี่ยเขพูดให้มันน่าฟังว่าพระอินทร์ลงมาดีพินนะเพื่อโปรโมทศาสดาของเรา วาศาสดาของเราวิเศษขนาดไหนนะขณะพระอินยังมาอีทพินให้ฟังแต่ถ้าเราจะบอกว่าท่านไปทังเล่นข้างแม่น้ําวันหนึ่งได้ข้างแมน่น้ําทีนี้สมัยก่อนเขาคงจะมีหนุ่มสาวเนาะไปเที่ยวตามแม่นมม้ําำําสวนลุกํามริมฝั่งเนี่ยก็เอากีตาร์ไปดีดกันใช่ไหมท่านก็ฟังเอ้เสียงแวแวๆกีตาร์เอ๊ตอนแรกมันเสียงดังมันขาดไปท่านก็นึกเอาคงจะสายมือขาดก็ พอฟังอีกทีเนี่ยมื่อดังไอเด็กหนุ่มสามก็าคงจะปรับอ่ะมันไม่เพราะพอดังก็ไม่เพราะก็ปรับไปมาเออในที่สุดได้ฟังเสียงเพราะโอคงจะปรับพอดีเขาก็จริงจิตนาการประจำที่ได้เสียงแต่ท่านก็สมมติว่าไป อ, อินเฉพาะว่าลูกอ่าไา์เบา้าวมาดิดพินทมอาชายป่าแม่น้ํำแถวนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวนอันนี้ก็คงจะไม่ไม่ขลังเท่าไหร่นะในที่สุดก็ท่านก็ได้สติจากตรงนั้นว่าอ๋อเหมือนกันช่วงแรกเนี่ยเราพยายามอ่าออกแสวงหาไปไปซะเต็มที่เลยนะแสวงหา นัเมื่อโลกนี่เหมือนพุ่นไวายมันสับสนเหมือนพุ่นวายมันแ ป, ปลโปรอย่างเงี้ยเราต้องหาทางหนีไปหาความสงบที่สุดท่านไปเจอความสงบสูงสุดจากอาจารย์ทั้งสองจิตลึกลงไปถึงสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดสามารถที่จะทําแสดงฤทธิ์อะไรก็ได้แต่ว่าพอหมดอํานาจสมาธิก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่ทาง ในที่สุดเมื่อท่านเลิกทางก็มาได้ยินเสียงดนตรีอันนี้ก็เออที่แล้วมาเราจริงจังเกินไปก็เหมือนผิดสายแรกใช่ไหมทำเต็มที่เลยทรมานตนเองเพื่อให้ได้ลิ์เดชฌานปริหารความสงบสูงสุดแต่มันก็ไม่แช่ทางแต่ทางที่สองที่เราเคยเดินมาแล้วคือสมัยเป็นเครือข่าแล้วก็ถูกบํารุงบําเรอเต็มที่ใช่ไหมมีประสาทสามหลังมีบ้านสามฤดูมีสาวสนุปกร ม, มวงังมีนางบําเลอเยอะแ ย, ยะไปหมด แต่เราก็รู้สึกว่ามันเต็มไปได้วยความทุกข์และปัญหาเราก็เรื่องหนีออกความหย่อนอยานนั้นออกมามาพบความสงบอีกแบบหนึ่งสูงสุด ต, ต้องใช้ความพยายามสูงสุดจนชีวิตแทบจะเอาตัวมรอดเพราะท่านออกจากนั้นมาท่านมาท ร, รมานร่างกายที่ว่าบำเพ็ญอะไรทุกขลักกิริยาใช่ไหมในระดับต่างๆเช่นนอนเซียนนอนน้ำไม่ทานข้าวไม่สุ้งเพื่อนไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าอยู่ในป่าอดข้าวอดน้ำ้าเกิดบตายเราจึงมีปังบำเพ็ญทุกขลักกิริยาใช่ไหมปังที่พหอมที่สุดอะ่ะก่อนที่จะม า, มาคิดได้อย่างนี้ท่านก็ ผ่นอ น, นันมาในที่สุดก็ไม่เจอเหมือนกันในที่สุดท่านก็เลยเลิกบำเพ็ญทุ ก, กรละกิริยาเลิกที่จะบำเพ็ญชานต่าง มานั่งเฝ้าดูตัวเองทีนี่ฤๅษีทั้ง5้าโนพอเห็นว่าท่านเลิกอย่างนั้นเป็นไงไปหมดเลยนะต้องการที่จะปั้นอาจารย์ของตัวเองให้ดังที่สุดดังนะัาาา้นไม่าจไม่ทำไม่ตามไม่ตามบทบาตรตัวเองก็หนีเลยนะฤๅษีทั้งห้าก็นําเลยโกนทัญยักษ์ก็หนีไปสู่ป่าอิศปณะมฤคไร้วันตอนแรกก็อยู่ที่อุลุเวลาด้วยกันนะใช่ไหมเสนาสิริคมนะ่ยแต่พ อ, อเจ้าชายธิถาหรือจะว่าวลูกพี่ก็ได้เนาะเป็นผูน้นำเจ้าชายธิถามไม่เป็นไปตามที่หวังต้องการท่านก็พากันหนีไปท่านเลยอยู่คนเดียว เขอยู่คนเดียวก็มาพิจารณากายใจเห็นเห็นปนัญหาว่าเอ๊ะเรื่องของกายที่แล้วมาเราพออะไรมาถูกต้องกายแล้วก็คิดว่าสมุขความร้อนมาถูกเราเราก็คิดว่าเราร้อนเราก็เป็นทุกข์ไปกับความร้อนความเย็นมาถูกตัวเราเราคิดว่าเราเย็นแล้วก็ชอบไปกับความเย็นอนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยเราก็รู้สึกใจเราก็ไม่ชอบไปด้วยเอ๊ะทำไมอะ่ะมันเรื่องของกายทําไมใจต้องเอาด้วยอะ่ะ ถ้เริ่มดูแล้ใช่ไหมเริ่มดูตรงนี้อันนี้คือคือสัญญาณแรกที่ท่านจะแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรนะมาบําเพ็ญเพียรทางจิตคือมาเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าทุกข์นี่จะเกิดขึ้นจากกายนะเกิดขึ้นจากกายแล้วก็พยายามที่จะทรมานกายให้ถึงที่สุดจนกระทั่งจะจะมรณะอยู่แล้วจะมรณภาพถึงก็เป็นลมเป็นแรงไปทุกข์ก็ยังไม่หมดอยู่ดีว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากจิตก็ไปบําเพ็ญฌานจนได้สมบัติเจตไปสงบที่สุดมันก็ยังทุกข์อีกอะ่ะมันเกิดจากอะไรทุกข์เกิดขึ้นจากกายหรือจากจิตกันแน่อ่า ท่านเริ่มมานอกมองดูเพราะมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสองด้านประสบการณ์สาคัญว่าทุกข์เกิดขึ้นจากกายก็ทรมานกายจนจะตายอยู่แล้ ว, ลวก็ยังไม่หมดทุกข์อะคิดว่าทุกข์เกิดขึ้นจากจิตก็ไปทรมานจิตจนกระทั่งได้บังคับจิตให้สงบจนได้สมัตบัตรเจ็ดสมบัติแปดก็ยังไม่หมดแล้วทุกข์เกิดจากอะไรกันแน่อะตรงเนี้เป็นจุดจุดเปลี่ยนนะเทอร์นิ่งพอยที่สําคัญเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอัง น, นั้นเองท่านก็เลยมาดูกายกายมาเฝ้าดูใน ช่วงที่ท่านพิจารณาเห็นว่ากายเป็นเรื่องของกายถ้ากายหนักทำไมใจต้องหนักด้วยถ้ากายหนักใจไม่หนักได้ไั้ยกายร้อนใจไม่ร้อนได้ไั้ยท่านกรื่มเรื่มแยกทำงานตากแดดกลางแดดเนี่ยร้อนไหยแต่ทำไมต้องทนทำอยู่ได้ทั้งวันเช้าได้ชวานะเพราะอะไรเพราะเขาแยกเวทานาได้หรือเปล่าเพราะต้องการที่จะทนเพื่อที่จะให้สิ่งที่ตอบแทนความร้อนนั้นมีค่า ความทำงานหนักทั้งวันในการลวงนแรงลงกายมันมีค่าที่จะได้เงิน mm. ก็ทําให้สนองความต้องการทางจิตเป็นความยากนะเป็นความยากทีนี้พอท่านมานั่งพิจารณานี่โอ้กายในขณะนี้นั่งมานานแล้วก็ดูอาการของกายจิตก็เข้าไปดูท่านมีพื้นฐานมาแล้วในในช่วงนั้นพื้นฐานไปบําเพ็ญสมาธิบําเพ็ญอะไรมากับพระพื้นฐานแล้แยกออกโ อ, โอ้กายก็เป็นเรื่องของกายใจก็ไม่จําเป็นต้องไปตอบสนองอะไรถ้ากายมันต้องการจิตก็เป็นเรื่องของจิตจิตคิด กายก็ไม่จำเป็นต้องไปตามที่จิตมันต้องการจิต ค, คิดอยากจะไปนู่นไปนี่กายก็ไม่จำเป็นต้องไปด้วยก็ได้นี่เริ่มเยิ่มแยกออกระหว่างกายครับโอความรู้สึกกายความรู้สึกใจนะความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางใจต่างกันไหมนั่งกายสมมติมันหิวน่ะมันหิว เคยไหมว่าเราตอบสนองความหิวทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยไปเจออาหารที่อร่อยกว่าและดีกว่านั้นเราเริ่มทานใหม่อีกได้ไหมเชื่อไหะได้เออได้บ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ของกายสบายแล้วแต่ว่าหลังนี้ไม่สวยเลยบ้านหลังนั้นสวยกว่ามีอ่าบริเวณกว้างกว่าสวยกว่ามีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องประดับอะไรไปเห็นบ้านเพื่อนนะนะดีกว่าเขาอยากได้บ้านหลังใหม่ไหมแต่ร่างกายเขาพอหรือยังร่างกายเขาพอแค่นอนหลับใช่ไหมแต่ใจเราพอไหมอ่าตรงนี้ท่านเริ่มเห็นความแตกต่างว่าโอ้ร่างกายเนี่ยเขาก็มีสัญชาตญาณของเขา เมื่อตอบสนองสัญชาติยานก็จบแต่จิตใจของเราไม่จบนะสมมติว่าสัญชาติยานทางกายมีกี่อย่างหลักๆที่เหมือนกันหมดเลยทั้งเท่าคนและสัตว์มีกี่อย่างเคยรู้ไหมแยกธาตุเนี่ยใช่ไหม แยกธาตุแยกขัน โ, โลโก้อนี้ไปได้ไหนมาเนี่ยโรงเรียนนะไปไกลโรงเรียนแล้วนะทุกูกายรู้จแยกธาตุแยกขันนะเป็นโลโก้ที่หลวงพ่อให้ไปแล้วอ่าระหว่างกายกับใจเนื่องจากว่ากายเป็นเรื่องของกายมีสัญชาติยานเหมือนกันกีนก่อย่างทุกสัมพัสัตว์แม้แต่มนุษย์ไม่เว้นมีสัญชาติยานเหมือนกันอยู่4อย่างใช่หมหนึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องการอาหารเพื่ออะไรเพื่ อ, อการความผิวเพื่อดำรงชีวิตใช่ไหมสอมนุษย์และสัตว์ การที่อยู่อาศัยเพื่ออะไรเพื่อการพักผ่อนหลับนอนใช่ไหมอันที่สามเมื่อมนุษย์สัตว์ทุกคนเมื่อเกิดมีภัยเกิดขึ้นเนี่ยเขาไปไงเกิดการกลัวหนีการตกภัยการหนีภัยการเอาตัวรอดใช่ไหมเหมือนกันหมดไม่แต่ยุงมั น, กนเกาะแล้วจะตบมันมันจะวิ่งหนีเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเพราะฉนั้นสัญญาณที่สี่สัญญาณที่สี่สัญชาติ 4, ญ, ญาณที่4อะไรอ้อมเธอฟังมาหลายรอบนะเธอน่าจะจําได้กลับไปโรงเรียนหมดเลยนะสัญชาติญาณที่สี่ไม่บอกเรารักตัว กลัวตายเราก็ไม่อยากตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ก็รู้ว่าต้องตายวันหนึ่งทีนี้จะทำไงเราจะอยู่ต่อไปเพราะมันยังไม่อยากที่จะเรารู้ว่ามันต้องตายวันหนึ่งแต่เราไม่อยากจะให้ชีวิตนี้ตายไปโดยที่เราไม่มี หนอเ น, นื้อเชื้อพันธุ์ของเราอยู่เราทําไงต้องการอะไรสัญชตาตญาณในการสืบพันธุ์เผาพันธุ์ของตัวเองให้อยู่ต่อไปเราคิดว่าอเราจะต้องได้เกิดต่อไปก็สัญชตาตญาณในการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้น4อย่างนั้นไม่ว่าคนรละสัตว์เสมอขึ้นหมดใช่ไหมสิงสารสัตว์ไม่แต่ยุงตัวเล็กๆแมลงปออะไรก็มีเพั้นสัญชตาตญาณมันจะทําหน้าที่อยู่สอย่างทางร่างกายเนี่ยหก็คือสแสวงหาอาหาร2สแสวงที่อยู่อาศัย3 <c oughs> ต้องการความปลอดภัยสี่ต้องสืบเผ่พาพันธุ์ตัวเองให้ดำรงอยู่นีสัญชญานเหมือนกันหมดพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายกทำออกเสียคนและสัตว์ไม่ต่างกันนะถ้ายกทำออกเสียเสมอกันในสี่สถานนี้เสมอกันในสี่สัญตญา น, นี้ทีนี้สมมุติว่าคนและสัตว์ สัตว์ทั้งหลายในเวลามันหิวมันมันแสวงหาใส่ปากใส่ท้องสมมุติว่านกสักตัวหนึ่งมัไปเกาะต้นมะม่วงที่สุกสวยมากนะมันมันกินอิ่มแล้วมันก็คิดถึงลูกถึงสามีภรรยาของมันมันจะหอมมะม่วงไปอีกสักสามสีใบได้ไหมเพราะอะไรก็แล้วมันแต่มดอ่ะเห็นมดไหมมดสั่งสมอาหารไหมมดมีความอยากไหมใช่ไหมอ่ามดก็สั่งสมเพราะนั้นสัญชาตญาณในการกิน เนี่ยเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมันแค่กินแค่บำบัดความหิวไม่มีความอยากแต่มนุษย์ไปเจอแหล่งอาหารสมมติไปเจอปลานะ ไปเชื่อปลาของน้ำเลยโอ้มากมายทุกคนก็จะเอาคนละตัวเพื่อไปบำบัดความหิวอย่างนั้นไหมเป็นยังไงเอาให้หมดทุกตัวเลยนะในหนองน้นํานี่ถ้าน้ําแห้งแล้วมีอะไรเอาให้หมดกุ้งหนูปูปลาเอาให้หมดใช่ไหมเพราะอะไร ท, ทั้งที่มันเกินจําเป็นน่ะในแม่น้ำเมื่อก่อนแม่น้ํายมที่มาอยู่ใกล้แม่น้ำยมยมีปลาเยอะมากนะก็เอาไปกินไปขายต่อมาไอคนโรคมันก็เอาไปขายน้อยมันรวยยากนะใส่ยาเบือ่อทั้งแม่น้ําเลยควยไป หลายร้อยหลายพันกิโลไปขายในที่สุดปัจจุบันในแม่น้ําไม่มีปลาเลยอันนี้คือมนุษย์ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องการเป็นต้องการสนองความอยากทั้งๆ ท, ท, ที่ความหิวก็ถูกบําบัดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นความอยากกับความหิวต่างกันยังไงเราทุกเพราะความอยากหรือทุกขเพราะความหิวหิวบำบัดเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายได้ใช่ไหมความอยากบำบัดหายไหมสมมติผมอยากได้เงินสักร้อยหนึ่งใช่ไหม ถ้าได้มา100หนึ่งอยากจะได้500 500เขาได้ก็อยากจะได้สักพันหนึ่งเพิ่มไปเรื่อยๆจบไหมไม่จบอ่าอันนี้คือสมุทัยคือส่วนเกินส่วนเกินจากสันชติยานหลังจากที่เราบำบัดสัญชติยานแล้วแต่ว่าในส่วนเกินเห้ยในแง่ของธรรมชาติความ ไม่สบายกายกับความไม่สบายใจเนี่ยใครเป็นสาเหตุของใครว่าความไม่สบายกายเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจหรือ <It> ความไม่สบายใจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายกายอันไหนเป็นเหตุของอันไหนง่ายๆปัญหาง่ายๆต้องตอบก่อนดูเอ๊ะทำไมคิดมากอ <ST Pent> ่ะฮะอะไรเป็นเหตุของอะไรกายเป็นเหตุให้ใจเป็นทุกข์หรือ ใจเป็นเหตุให้กลายเป็นทุกข์อ่าแบบนี้ต้องมีการโหวตเกิดขึ้นแล้วบางคนบอกว่ากายบางคนบว่าใจคุณอ้อมเพราะทัวถูกเพ่งเล็งเพราะว่าเออปฏิบัติมากกว่าเพื่อนว่าใจทําให้ใจทุกข์หรือใจทําให้กายทุกข์อ้าวพิสูจน์หน่อยว่าเป็นทุกข์ทาให้ใจทุกข์อย่างไงอ่าอืมใจก็ไม่อยากอืมแต่เพราะคนที่อยู่ในห้องแอร์แสนสบายเนะี่ยเขาเป็นทุกข์ก็ไม่สุข เศรษฐีพันล้านถูกโกงไปแค่ห้าร้อยล้านเ้านอนในห้องแอร์เนี่ยเขารู้สึกสบายไหมอันนั้นที่สบายกายแต่ใจเป็นไงไม่สบายแล้วเดี๋ยวเป็นเหตุได้ไหมเออแล้วถือบอกว่ากายเป็นเหตุของทุกข์ของใจได้ไม่ใช่แล้วนะในตรงนี้ถ้าเรียกเป็นอัญญามัญญะปัจจัยบางครั้งกายเป็นเหตุให้เกิดบางครั้งใจเป็นเหตุให้เกิดแต่ลึกๆแล้วเนี่ยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากกายหรือเกิดจากใจก่อนที่เราจะมาเกิดมามีกายอันเนี้ยใจเราอยู่ที่ไหน อ่าต้องเริ่มต้นกับที่นู่นเลยนะก่อนที่เรามาเป็นเราเนี่ยใจเราอยู่ที่ไหนใครเกิดมาเป็นเรากายมาก่อนวิจัยมาก่อนเอาละสิสืบประวัติตัวเองซะหน่อยะว่าก่อนที่เราจะมานั่งคันอย่างเงี้ยเราเรากายมาก่อนวิจัยมาก่อนที่มาเกิดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลองภูมินะเรากําลังค้นหาสมุทัยของทุกนะร่วมกันนะวมีข้อร่วมกันกายมาก่อนกายมาเกิดก่อนวิจัยมาเกิดก่อนกายแล้วกายใครทําให้เราเกิดนะพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันเกิดได้ เกิดไหมพ่อก็สมมุติคนนั้นพพ่อสมมคนนี้เป็นแม่แต่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วจะมีเราไหมไม่มีเออนั่นสิแล้วมันมีพรเรามาได้ไงใจใจมาลักกันตอนไหนตาไปเห็นรูปใช่ไหมเกิดยังไงเกิดความพอใจความพอใจเพรตาเป็นรูปเออแสดงว่าความพอใจมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแล้วใช่ไหมความพอใจความพอใจที่เกิดในตัวเราเองในขณะที่เรายังไม่เกิดเนี่ยพ่อของเราก็ดีแม่ของเราท่านมีความพอใจไหมมีอยู่ใช่ไหม ความพอใจด้วยนี้เกิดจากอะไรทั้งๆ ท, ที่ไม่ต้องตอนนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานนะขอโทษเนาะยังไม่ได้แต่งงานมีความพอใจในตัวเองไหมฟังเรื่องและทานอาหารมาก็ไม่ต้องกินนะใช่ไมเราไม่พอใจในตัวเองเนะี่ยเพราะฉะนั้นความพอใจเกิดจากสัญชตาตญาณ ในการที่จะต้องแสวงหาอาหารความพอใจเกิดจากสัจธรรมในการที่แสวงหาที่อยู่อาศัยและเพื่อคามลันอนความพอใจเกิดจากการที่รักตัวกลัวตายจึงหนีภยัยความกลัวเพราะความพอใจจึงขอให้เกิดการที่จะรักษาที่จะสืบเผ่าพันธุ์นิไว้ใช่ไหม กิทุกคนมีความพอใจอยู่ที่ลึกลงไปอีกความพอใจในแต่ละคนที่ออกมาเป็นสรรชาติยานทั้งสีความพอใจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากทางกายหรือเกิดทางใจเช่นเรานั่งเนี่ยมันสมมุติหนักทางกายใช่ไหมพอใจไหมไม่พอใจแล้วทําไงสมมุตินั่งไปนิ่งๆสักสินาที20่ินาทีช่างไม่ไหวละเป็นการงูนี ด, ดำคานไล้ใช่ไหมร่างกายเรามันบอกให้เราทําอะไรเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเพื่ออะไรตอนแรกเรานั่งแรกก็รู้สึกสบายเนี่ยแล้วก็พอใจ <c oughs> พอนั่งนานๆเข้าความพอใจเปลี่ยนเป็นความไม่พอใจตามอาการของไข่ ตามอาการของกายใช่ไมแล้วนั่งใหม่ใหม่สบายเพราะความไม่สบายมันเปไปตามกฎ ของอะไรที่เปล mm hmm. <ok ี่นเป็นความความสบายมันเป็นกฎของอนิจจังเปลี่ยนเป็นความไม่สบายและความไม่สบายถึงที่สิ้เราทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอีกความสบายกลับมาใหม่เพราะนั้นความพอใจความไม่ใจมันก็เกิดมาจากความสบายกายไม่สบายกายสัญญาณแรกเลยใช่ไหมเอ่อเริ่มต้นกันตรงนั้นนะถ้าสืบต่อไปอีกมันจะหาตัวไม่เจอะเริ่มต้นว่าเป็นกฎทุกอย่างเกิดมาจากกฎของอะไรใจรักใช่ไหมความรู้สึกสบายพอเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปสักพักความไม่สบายก็มาใหม่นั้นความสบายไม่สบายเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องเป็นความสบาย แล้วก็ไม่สบายเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องเรื่องเดียวกันเอมีคนมาเห็นไม่เห็นด้วยแล้วนะความไม่สบายเกิดจากความรู้สึกสบายใช่ไหมและความรู้สึกสบายก็เกิดจากความรู้สึกไม่สบายเราไม่สบายตรงนี้พอเราเปลี่ยนไปปั๊บก็สบายใช่ไหมอ่ะพอนั่งนี้สักพักไปไงไม่สบายอีกแล้วใช่ไหมก็เปลี่ยนวันนี้ทัดสบายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎของอนิจจังเปลี่ยนเป็นทุกขังทุกขังก็เปลี่ยนเป็นแต่มีตัวอนัตตาเป็นข้อกลางเพื่อได้เชื่อมระหว่างความสบายไม่สบายถ้ามันเป็นอัตตา ควาสบายกิดืออย่างนั้นไม่เปลี่ยนเลยอันนี้ก็ผิดกฎแล้วใช่ไหมหรือความสบายเกิดขึ้นกับทืออย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปกว่าเพราะมันเป็นอนัตตาจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นตัวอนัตตาคือมันไม่มีความตายตัวมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เพราะฉนั้นกฎของอ น, นิจจมุกขงังจึงเป็นกฎสากลสําหรับจั ก, กรวาลเลยนะไม่ใช่กฎของมนุษย์จั ก, กรวาลทั้งหมด ตกอยู่ภายใต้กดอันนี้หมดแล้วกไตรลักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปนะแต่ว่ามันเป็นสาเหตุที่เราจะพูดถึงเพราะว่าในช่วง3าวันเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ให้ได้ว่าเรากําลังวิเคราะห์ตรงที่ว่าความไม่สบายกายเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจหรือ ความไม่สบายใจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายกายตอนนี้เราเรื่องได้เขาเรื่ออย่างว่าใครเป็นเหตุของใครกันแน่หลังจากวิจัยผ่านมาใครเป็นเหตุของใครกันแน่กายไม่ได้เป็นเหตุของใจใจแต่ทั้งกายทั้งใจอยู่ภายใต้กดอะไรไตรลักษ์เป็นเรื่องของไตรลักษ์เพราะไตรลักษ์จึงมีกายมีใจเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าไม่มีไตรลักษ์เราได้เกิดมาไหมก็ไม่ได้เกิดเพราะเป็นกฎ ของจักรวาลเป็นกฎจักรวาลเป็นอยู่อย่างนี้ยต้นไม้ใบหญ้าไม่ม ว, ว่าเกวนสิ่งมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามอยู่ในกฎตกอยู่ภายใต้กฎอันนี้หมดแต่ในกรณีที่มนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นไฮบิ่งหรือฮิวแมนบิ่งไม่ใช่เป็นแอนิมอลบิ่งทรูธบิ่งหรือเป็นอะโลบิ่งแต่ไปเป็นไฮบิ่งหรือฮิวแมนบิ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะฉะนั้น มันก็มีวิวัฒนาการจากความรู้ชั้นไบโอมาเป็นบีอ็กซใช่ไหมถ้าขึ้นเซลล์สัตว์สองเซลล์เซเดียวตั้งแต่นู้นมีความรู้สึกมาเล็กๆความรู้มันยังไม่สมบูรณ์ไม่ถึงความเป็นมนุษย์นะจนกระทั่งเราพัฒนาการมาหลายล้านปีจนแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เราเรลยเป็นไฮบีเอิกซ์เป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะฉะนั้นเราจะสัตว์นี้ชั้นสูงต่างก็ลําดับขึ้นมาเปอร์เซนต์ของการรับรู้ ตั้งแต่สัรเเทิยานหนึ่งเปอร์เซ็นมาถึงร้อยเปอร์เซ็น์อย่างที่เราเป็นอยู่นะดังนั้นก็สามารถที่จะมีสติปัญญาระบบประสาทมันสมองอะไรเข้าใจเรื่องนี้ได้จมนมาเป็นระบบของขันหนะ้างเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้แต่ในไฮวิ่งเรียกว่ามนุษย์นะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเรียกว่าอะไรต่ำกว่ามนุษย์เรียกว่าอะไรเรียกว่าคน <laughs> อันนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านให้เดฟินิชชันเอาไว้นะว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนอย่างยุงมีดีที่แววขนหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาอ่านั้นแสดงว่าตักปรชญาท่านให้ว่า5้าหาก็เราใจต่ำอยู่เมื่อความเปอร์เซ็นต์นันการรับรู้ ความรู้รู้สึกผิดชอบในตัวเองเนี่ยไม่ถึงร้อปเซนะในระดับยังไม่เข้าสู่มาตรฐานของความเป็นมนุษย์นั้นต่อมาเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็เลยกําหนดหรืออาจจะเป็นกฎสากลก็ได้ว่ามีมาตรฐานของความเป็นมนุษย์อยู่ห้าอย่างจําได้ไหมมีอะไรบ้างเป็นชาวพุทธน้องจําได้นะกฎเป็นเขาเรียกก็เป็นอะไรเป็นต้นบัญญัติเป็นเป็นหลักเลยมันนี้หลักของความเป็นมนุษย์หอย่างเนี้ยอันนั้นเป็นตัววัดนะว่าเรามีใจสูงขึนอีกหนึ่งเรา รักตัวเรารรักชีวิตตัวเองไหมเมื่อรักชีวิตตัวเองรักชีวิตคนอื่นไหมต้องมีตรงนี้นะถ้าเรารักตัวเองไม่อยากจะให้คนอื่นมาทําร้ายตัวเองเราก็ต้องมาทําร้ายคนอื่นไม่อยากจะให้คนอื่นมาเบียดเบียนตัวเองเราก็ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้เป็นสํานึกของกามเปลเป็นข้อที่หนึ่งเลยนะอันที่สองทุกคนรักอันเป็นสิ่งอันเป็นของของตนเองเราก็รักใช่ไหมเราต้องการให้คนอื่นมารักของเราไหมไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการให้คนอื่นมารักมาขโมยของเราเราต้องการไปรักไปขโมยของอื่นไหมแต่บางคนเป็นนะ ไม่อยากให้คนอื่มนมารักของตัวเองแต่ตัวเองรักของคนอื่นอันนี้ความเป็นมนุษย์ก็ ไม่เต็มร้อยละแต่ความเป็นมนุษย์เต็มร้อยในเมื่อเรารู้ว่าทุกคนมีของรักของห่วงใครมาทําร้ายของของเราเราก็ไม่ชอบใครมาขโมยของใครมาเบียดเบียนอารักเอาเปรียบเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ทําสิ่งนั้นด้วยนี่เขเรียกความเป็นมนุษย์มาตรฐานคนเมีข้อที่2องข้อที่3ถ้าใครมาระมิดมาดูถูกเหยียดหยามไม่เคารพไม่ให้เกียรติเราเนี่ยรู้สึกยังไงไม่พอใจใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ถ้าเราก็ต้องไม่ทําสิ่งนี้กับคนอื่นไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามไม่ินทาไม่ไปทําคนอื่นให้เสียกิจยศเป็นมาตรฐาน ที่สาของความเป็นมนุษย์มาตรฐานที่4ี่คนอื่นมาหลอกเรามาโกหกเรามาพูดปดกับเราพูดส่อเสียดให้กับเราแลพูด urs urs, เพลย์เจอรใส่เราเรารู้สึกชอบไหมไม่ชอบในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ทําสินี้กับคนอื่นนั่นเป็นมาตรฐานที่สของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าไม่อยากให้คนอื่นมาโกหกหกลอกลวงพูดปดตัวเองแต่ตัวเองไปกโกหกหลอกพูดปลดคน อ, อื่นความมาตรฐานเขาก็ลดลงไปความเป็นมนุษย์เขาก็เป็นเพียงคนเพราะคนที่ทําได้ทั้ง2 อ, อย่างนะหมายความว่าทำกับคนอื่นแล้คนอื่นก็ทําตัวเองกับ แต่มนุษย์จะทํามาตรฐานเดียวมาตรฐานที่สูงขึ้นอันที่ห้าใครมาทําให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานใครมามอมเมาเราให้เสียสภาพจนสนุกสนานจนกระทั่งเราได้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้รับความเจ็บปวดเราชอบไหมในขณะเดียวกันเราก็ต้อง ไ, ไม่ต้องไปไม่ไปทําสิ่งนั้นกับอื่นไม่ไปมอมเม า, เม า, เมาหรือไม่ไปทําให้คนอื่นเกิดขาดสติทําให้คนอื่นขาดสติขาดสัมยาพิธิทำให้กเกิด เกิดความประมาทขึ้นมาเราก็ไม่ทําเป็นมาตรฐานที่5้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นมีความเป็นมาตรฐานทั้ง5้าอย่างนี้ว่าเราไม่ชอบสิ่งใดก็อย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นแต่เราทํำในสิ่งที่แม้ตัวเองเลยไม่ชอบเราจะนากับคนอื่นอยู่คนนั้นเรียกว่าคนอยู่ยังไม่ใช่มนุษย์นะยังไม่จบเพราะฉะนั้นเองในจุดนี้เองเราจึงมาวัดความรู้สึกว่าความรู้สึกมี2ระดับคือความรู้สึกระดับทางกายและความรู้สึกระดับทางจิตความรู้สึกทางกายระดับที่เป็นสัญญาณเกิดจากอะไรเกิดจากกฎของ ธรรมชาติเรียกว่าเตยลักใช่ไหมสัญชาตญาณนี้จะมีแก่เราทุกคนเมื่อเราต้องตกอยู่ภายใต้กฎอนี้เราจะต้องดําเนินตามสัญชาตญาณอย่างเดียวหรือไม่ต้องต้องต้องดำเนินตามนั้นหรือไม่นี่ถ้าเป็นคนก็ดําเนินตามนั้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์หาทางออกอย่างนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้นำนะเพราะนั้นเองเราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นทุกข์หรือเวียนว่ายที่จะทุกทุกภพทุกชาติเกิดมาทุกภพชาติถูกเขาฆ่าเขาแกงถูกเขาลักเขาตล้นถูกเขาฉีดถูกเขาผมคืนถูกเขาทําร้ายถูกเขาเอาไป คุดตรลังเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นอย่งงางนั้นทุกชาติมันก็น่าเบื่อเนาะเราก็ต้องการที่จะไม่ให้เกิดสิ่งเช่นนั้นแต่ตออราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่เราก็ต้องปร ะ, ประสบภาวะตรงนั้นอยู่ดีเพราะเราเกิดมาเราอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติใช่ไหมอาจจะไม่ได้เกิดเป็นลูกคนผู้ดีทุกชาติอาจจะอาจจะไปเกิดเป็นลูกคนโจนเกิดเป็นลูกผู้รออ้ายขโมยเกิดเป็นลูกของอต่างและที่ศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฐิมันก็จะเวียนว่าแต่เกิดอยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราจะ ต้องอต้องตอบสนองสัญชาติญาณเราจะต้องเวียนว่ายใจเกิดแต่เราไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายใเกิดไม่ต้องการจะเป็นอย่างอีกเราก็ต้องมาพัฒนาตัวสัญชาติญาณให้เกิดเป็นตัวปัญญาญาณ ยังไงทีนี่ใช่ไหมแต่ถ้าหากสัญชาตญาณอย่างเดียวเนี่ยมันก็เพียงเป็นคนแต่เมื่อได้รับพัฒนาสัญชาตญาณให้เป็นปัญญายาณก็เริ่มเป็นมนุษย์อ่เป็นมนุษย์ก็รู้สึกเป็นมนุษย์ในฝ่ายสองพวกหนึ่งเป็นมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฐิด้วยถึงจะพัฒนาได้นะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ก็จะลดระดับความเป็นมนุษย์ลงเป็นคนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นระหว่างคนก็คือยังเป็นมิฉาทิฐิถ้าเป็นมนุษย์ได้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นไป ที่นี้สัมมาทิฏ่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรอันนี้เริ่มเข้ามาสู่หลักการของศาสนาแล้วนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหลักการธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่เราได้ข้อสรุปหร้อยังว่าจริงๆแล้วใครระหว่างกายเป็นเหตุของให้เกิดความทุกข์แก่ใจหรือใจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กับกายกันแนต่ต้องจําหลักการนี้ให้ได้ก่อนอเพ่จะลืมได้ข้อสรุปไว้แล้วใช่ไหมใครเป็นเหตุของใครกันแน่หรือยังสับสนอยู่ <laughs> วนไปวนมางงเงินยังสับสวนว่าระหว่างกายไปเหตุกายกับใจเนี่ยใครเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่ใครฮะไม่ใช่กายแล้วไม่ใช่ใจใครเป็นเหตุ อ, อีกทีหนึ่งสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์คือตรลักษณ์คือความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เกิดขึ้นเกิดจากไตรลักษณ์ใช่ไหมจิตใจก็เกิดจากกฎของตรลักษณ์ ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเกิดของเปิดกฎของตจรักแ ล, แล้วเราก็จะต้องเดินตามสัญชาติญาณของสัมมัสสทั้งหลายใช่ไหมทีนี้เราต้องการอยู่เหนือสัญชตาตญาณได้อย่างไรนี่จงพัฒนาความเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์<ม>คือจะต้องมีสีลห้ามีธรรมหา้าอันนี้คือมาตรฐานความเป็นแต่สี่ห้ารักษาครบได้ทุกข้ออะไอย่างอย่งนี้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าข้อนี้กี่สักกี่ข้อเน้นๆตามข้อแสดงมีความเป็นมนุษย์เท่าไหรนะ่หกสิบน่ะหรืออีกสี่สิบยังเป็นคนอยู่ ต้องเช็คความจริงแล้วกันนี่นะว่าจะมั่วไม่ได้แล้วตอนนี้นะสามนี่แน่ใจใช่ไหมยังไม่แน่ใจอีกแล้วรถลงไปเรื่อยๆเช็คไปเช็คมาเหลือน้อลงไปเรื่อยๆนะอ้าวหนุ่มเหลือสักเท่าไหร่กี่ข้อในห้าข้อเอาเนื้อๆเลยงัเประมาณเมื่อกันนะแต่ยังไม่แน่ใช่ไหมสาวบวกลบสองหรือเปล่าหมดพอดีก็ถือว่าเกิครึ้นนะ เกิน50เเนเกินรแต่เราอยากได้สัก80หรือ0เเซนเาะเพราะนั้นก็ทำอีกสองข้อข้อไหนที่จะเลี่ยงไม่ค่อยได้สองข้อนี่มูสาอ่ามูาแล้วอีกข้อหนึ่งข้อสามหรือเปล่าหรือข้อไหนข้อเอาที่ว่าสองข้อนี้เราเสียเสียยงเลอเกินน่ะนะรู้สึกว่นท้าจะขาดไวเ่อยสองข้อนี้นอ่าข้อสีนีข้อสีนี้ต้องมีอย่างนี้นะฮะถึงจะพูดปดก็จริงสมมติว่าพ่อแม่รักลูกนะอย่าไปกินนั้นนั้นลูกเดี๋ เออมันเป็นอันนั้นอันนี้เวลาลูกร้องไห้ขึ้นมาจะไปร้องเดี๋ยวเสือจะมาก็หายร้องไห้ใช่ไหมลักษณะอย่างนี้พ่อแม่ถือว่าโกหกลูกไเมเออจะไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวผีเอานะอย่าไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าบนนอกนั่งถือศาสนาผีอยู่ใช่ไหมไปตรงนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผีจะเอาคนนั้นก็ไม่ทําจริงๆไงนะลักษณะนี้ถือว่าโกหกไหมสิ่งที่นับว่าโกหกสิ่งใดก็ตามทําให้คนนั้นเสียประโยชน์นะเสียประโยชน์สิ่งนั้นเสียประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นถือว่าเป็นการผิดสิ่่่่งงข้้อะแแตตพูดดไไปสิิใก็ามมมจจร แต่ว่าทําให้คนอื่นได้ประโยชน์ตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยสิ่งนั้นไม่ผิดขีนครนี้ท่านใช้คําว่ากุสโลบายนะเป็นกุสโลบายสมัยหนึ่งเรื่องนี้ใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะเกี่ยวกกุสโลบายนี่นะห<ม>ลวงพ่อเจ้าคุณพี่มูลธรรมอาจอัสาภาเทระเคยเป็นว่ารัฐมนตรีสังคมนตรีสังคมนตรีว่าการปกครองนะท่านสมัยนั้นถูกกล่าวหาเรื่องข้อหาคอมมอนิสต์เนาะทีนี้ท่านไปพูดที่นะคปรปฐมพูดถึงว่าผูท้ทีเจ้าท่านมีอ่าเรียกว่าทําหลอกให้มนุษย์เนี่ยออกจากทุกข์ได้อะ่ะ พุทธเจ้าเป็นคนโกหกเก่งมากด้วยคำคำนี้โดยที่ฝ่ายตรงกันข้ามที่เขคอยๆจับผิดอยู่แล้วเอามาเป็นเรื่องว่าหลวงพ่อพิโมนกล่าวถูกพุทธิเจ้าเป็นเหตุอันหนึ่งที่ข้อกล่าวหาหนึ่งในลหลายๆข้อกล่าวหาเป็นเหตุท่านติดคุกอะ่ะเพาพุทธิเจ้าโกหกเก่งใช่ไหมไม่ได้เอาบอริ บ, บทอื่นๆมาขายายหรือ ว, ว่าท่านใช้คําว่ากุสโลบายที่คาว่ากุศลกุศล น, นี่หมายความว่าฉลาดในการที่ให้ทําให้ตนเองได้ประโยชน์และคนอื่นได้ประโยชน์ร่วมกันแม้เรื่องนั้นไม่จริงก็ตามท่านใช้คาว่ากุศโลบายใช่ไหมนี่เป็นวิธี เพราะฉนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคําว่าจะผิดศีลเนี่ยหมายความว่าทำทัให้ตนเองเสียประโยชน์ให้คนอื่นเสียประโยชน์แต่สิ่งได้ก็ตามพูดไปแล้วเช่นเราไปพูดกับพ่อกับแม่ พ, พ, พูดตรงๆนะพ่อแม่อาจจะรับไม่ได้เราใช้วิธีพูดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมที่พ่อแม่รับได้พ่อแม่ก็ดีใจเราก็สบายใจแม้สิ่งนั้นไม่จริงก็ตามเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องโกหกถือว่านั่นคือเป็นกุสโลบายพี่เป็นกุศลคือเป็นปัญญาชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบศรีธนนชัยนะ <laughs> แบบประเทศไทยประเทศศรีธนนชัยไม่ได้เอะไปพิกันมาดังนั้นเเอองข้้นีราก็ไม่ ควจะตีตัวเองว่าผิดบ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยผิดบ่อยๆมันมีอยู่ d ด f i ฟิ t i ั n อยู่4อย่างใช่มสิ่งข้อ C 1พูดปุด สองพูดคำหยาบสามพูดส่อเสียดสี่เพอเจอสี่อย่างเนี่ยเราผิดอันไหนมากที่สุด <c oughs> <c oughs> เนี่ยที่ว่าไม่แน่ใจในสี่ข้อที่ว่ามันผิดข้อนี้ใช่ไหมเราไม่ได้โกหกหลอกลวงพูดปุดสู้เสียดกับใครนะแต่เราเพ้อเจอมากไปหน่อยเพราะคนไทยเรามีความความกดดันสูงไงเพราะฉะนั้นระบายอันนึงที่จะทำให้ผ่อนคลายคือการได้พูดได้คุยได้ระบายออกเพราะเมืองไทยเราอยู่ยากนะเพราะมีเคราะแรงกดดันเรื่องหลายๆเรื่องนะมันก็ต้องได้พูดได้คุยกันเป็นทางหนึ่งนะอันนี้ การผิดศีลก็บางทีมันเป็นเหตุจําเป็นได้พูดได้คุยบางทีมันก็เป็นทําให้เราได้ประโยชน์คือเรารู้สึกสบายใจคนอื่นเพื่อนคุยก็สบายใจนะอันนี้หนึ่งแล้วก็ข้อไหนอีกนอกจากข้อสี่ที่เสี่ยงต่อการผิดข้อหหรือข้อสามหรือข้อสอง้าสัตว์ก็ไม่เคยได้ทามันเนาะเออสัตว์เล็กเล็กน้อยน้อยอันนั้นมันจะเป็นการผิดศีลได้ตรงที่เราเจตนาสมมติว่ารู้สึกคันๆตกปับ๊บ อ, อ๋อเลือดติดมา อันนี้ถือว่าฆ่าสัตว์ไหมไม่ได้ฆ่าอันนี้สัญชตาตญาณในการอะไรกลัวภัยในการป้องกันตัวเองเราไม่มีเจตนาฆ่าอยู่แต่เราป้องกันตัวเองนะ เพราะฉะนั้นนักมวยมันก็ทําบาปดิเบียดเบียนกันใช่ไหมอันนั้นคือการชคแต่คนสั่งมีสิทธิในการป้องกันตัวเองเท่านั้นเองเพราะการชคมวยก็ไม่ถือว่าผิดศีลสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองเราก็ต้องฝึกวิชาป้องกันตัวเองเข้าใจนะอ่าดูที่เจตนาว่าเราจะเมื่อแล้วเมื่อศีลข้อไหนถ้าบอกเออฉันถึงฉันจะเพ้อเจ้อแต่นี่ก็มีสตินะอย่างนี้ถูกต้องไหมเพ้อเจ้อยังสร้างสรรค์อย่างหลวงพ่อพูดในก็เพ้อเจ้อย่างนึงนก เพคยเจออย่างสร้างสรรค์นนะดันั้นเราจะเห็นว่าการามีมาตรฐานนี่ค่อน้างยากเอาลักใกล้เข้ามาอีกตัวหนึ่งว่าระหว่างกายกับใจเป็นเหตุของกันและกันแต่ถ้าพูดให้มันเป็นรูปธรรมโดยที่กฎของไตรลักษณ์กับรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็กายนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจเราจะบอกว่าตรยลักษณ์ไป็นหรมันก็คลุมเกินไปกว้างเกินไปแต่ในแง่ของความเข้าใจก็กายนี่แหละเป็นเหตุของทุกข์ทางใจเพราะอะไรเพราะความไม่รู้สึกสบายกายเนี่ยมันปรากฏ ง่ายกว่าเห็นได้ง่ายกว่าชัดกว่าเอาละเมื่อเราจะต้องบำบัดทุกขเวทนาทางกายมันมี2 อ, อย่าง 1. นึ่บำบัดด้วยความรู้ความตระหนักรู้ 2. องบำบัดด้วยความไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อไม่รู้รตัวและไม่ได้ตระหนักรู้ในการเปลี่ยนแปลงนั้นส อ, อย่างเนี่ยมีในยะที่สําคัญเป็นหัวเรื่องหัวต่อที่สําคัญเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแ ป, <c oughs> แปลงอธิบทเคลื่อนไหวอธิบทด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวส่วนใหญ่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบำบัดทุกข์ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราเรียกว่าเปลี่ยน แดงด้วย สัญชาตญาณเปลี่ยนแปลงโดยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกฎของอะไรไตรลักษณ์อ่าที่แล้วมาส่วนใหเราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเราได้รู้ทุกครั้งมากําหนดรู้ทุกครั้งในการเปลี่ยนแปลงในการบำบัดทุกไหมฮะไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมสำหรับผู้ไม่ได้ฝึกนะแม้ผู้ฝึกแล้วถ้าไม่ชํานาญยังไม่ลึกเนี่ยก็ยังโดยสัญชาตญาณครึ่งต่อครึ่งในร้อยอาจจะเป็นสัญชาตญาณเท่านี้เปอร์เซ็นเป็นปัญญาญาณเท่านี้เปอร์เซ็นอยู่ที่อัตราความเข้ม ข, นข้นของการกําหนดรู้ถ้าเข้มข้นมากสัญชาตญาณอาจจะกินเปอร์เซ็นแค่ห 10% เกสิเป็นยังเป็นปัญญาญาณเพราะนั้นต้องเปลี่ยนสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาญาณด้วยผ่านการตระหนักรู้หรือ Aware เพราะฉะนั้น Aware นี่แปลว่าอะไรการตระหนักรู้ใช่ไหมเอาเรามาแปลคําว่าสติเราใช้ Aware เนี่ยแต่ว่าถ้าไปมีการเราไปใช้ไมฟูรเน็เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้รู้ยากมากขึ้นว่าเขามีการฝึกไมฟูรเน็ตมากขึ้นคือฝึกสติไมฟูรเน็ตแปลว่าอะไรแปลว่ามีใจ มีใจตั้งใจมีใจในการที่จะรู้ถ้าอ w a r e คือตระหนักรู้เพราะฉนั้นเรามาปฏิบัติครั้งนี้มาปฏิบัติการตระหนักรู้ให้เกินการตระหนักรู้จากระดับต่าสุดถึงสูงสุดระดับต่ําสุดหมายถึงการเคลื่อนไหวในร่างกายของเรามีกี่ระดับเคยสังเกตไหมโอ้ <c oughs> ขณะอยู่กับมันมาตลอดนะใครว่าในร่างกายของเรามีการการเคลื่อนไหวอยู่กี่ระดับเดี <c oughs> ๋ยวเขไปลงคู่อ้อมมีงันแล้วคนอื่นดีกว่านะกี่ระดับเคยแล้วเนาะเคยเข้าแล้วนี่ยการเคลื่อนไหวที่พ่อเคยนําเสนอมีกี่ระดับจำไม่ได้ ะพื้นหมดแล้วนะครานี้ท้องมาทุกปีนะจำได้นี้ไม่ได้มาหลายปีนะเนี่ยท่านได้ออกจากลุงกระลุนมาระดับที่หนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราอยู่ได้ขาดมันไม่ได้ขาดเกินห้าทีไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เลยเป็นการเคลื่อนไหวของอะไรลมหายใจ ระดับที่1 น, นะสเราอยู่ในแต่ละฐานของชีวิต <c oughs> ตั้งแต่ตื่นนอนนะ่ะแม้แต่กระทั่งนอนเราอยู่ในฐานไหนท่า น, นอนใช่ไหมตื่นขึ้นมาเราอยู่ในฐานั่งสักครั้งก็ลุกไปเดินสักครั้งก็ยืนเพราะฉนั้นฐานการเคลื่อนไหวอดับที่สองคืออีบท4ยืนเดินนั่งนอนเป็นการเคลื่อนไหวระดับที่2เรียกว่าอิริบท4ฐานในระดับที่3ในอิริบท4ี่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวย่อยๆซ่อนอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมเช่นแล้วนั่งนี่มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บ้างเขาตาหนาปากใช่ไหมพูดพผงศีรษะเคลื่อนไหวไหม ยซยหลือขวาพิกซาพิกหลังตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอีรบทย่อยเรียกว่าสัมชปชัยญะะะหรือไมนอ position นะคืออีรบทย่อยมีเชื่ position ในบทหลักเพราะนั้นระดับเคลื่อนไหวอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวในอีรบทย่อยมือยกไปยื่มาในอรีบทนั่งเนี่ยมันอาจจะมีเป็นร้อยๆจุด ของอีบทย่อยใช่ัหมพับตาอ้าปากหายใจเหลียวซ้ายและขวากุมเงยหยิบยับจับช่วยคู่เหยียดในบทย่อยท่านระบุไว้ถึง7ประเภท1การเดินไปเดินมาอะโรกิเตวิโลกิเตที่เราเดินนะก้าวหน้าถท้หลังอันที่2เหลียวซ้ายไหล่ขวามีอยู่ใช่ไหมชีวิตจริงของเราอะโรกิเตวิโรกิเตอันระดับที่สามือที่ยกขึ้นยกลงนี้เป็นเหยียดเข้าคู่เข้าเหยียดออกใช่ไหมสัมมินชิตเตปาสาทิตเตอระดับที่สีก่อนที่จะมาเนี่ยต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไหม รู้ตัวไหมว่าเอาแขนสอดเข้าข้างไหนก่อนอจัดกระดุมเม็ดไหนก่อนเนี่ยจำได้ไหม น, นี่เรียกว่าอียบดด้วยอาบน้ําเข้าห้องน้ำใช่ไหมอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปัญช า, าการีรู้ตัวทุกพร้อมในการถ่ายอุจาร ะ, าระปัสสาวะเข้าห้องน้ําอาบน้ําแต่งตัวมีการเคลื่อนไหวตลอดทุกส่วนใช่ไหมระดับที่สี 5, ร่ระดับที่5การดื่มการเคี้ยวการลิ้มดื่มน้ํามีการเคลื่อนไหวไหมระดับที่หาระดับที่6กี่นะีระดับที่7ก็คือการ ไปกันมากันหลับการตื่นกันพูดกันนิ่งแม้แต่ข้างกันนิ่งก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าขณะนี้เรากำลังนิ่งนะขณะนี้เรากำลังพูดนะขณะนี้เรากํนะน า, นนากลงันะนานนาลงหลับนะขณะดับรู้ตัวมันมีคําว่าคเตติเตนิสินเนสุเตภาสิเต canción. ชาคดิตเต adaptation. ตุนฮีภาเวเจ็ดในข้อที่7มีถึง7ดระดับเป็นอิบุต ย, ย่อยนะการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการพูดการไปกั น, นมาพวกเนี้ยดังนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสัมปัญญะคืออิบทย่อยในระดับ ที่สามนะอันที่หนึ่งคือลมหายใจอันที่สองคือบทเสียงอันที่สามคือบทย่อยอันที่สี่ขนาดที่เรานั่งตรงได้เป็นถือว่าเป็นอาการของธาตุอะไรธาตุดินใช่ไหมที่เคลื่อนไหวง่าเป็นธาตุอะไรธาตุลมในขณะที่เรานั่งอยู่ยงี้ความรู้สึกเยน็นร้อนอ่อนแข็งเข้งตึงในร่างกายมีไหมเป็นธาตุของอะไรธาตุไฟและธาตุน้ําดินน้ําลมไฟอันนี้การเคลื่อนไหวในระดับที่สี่คือการเคลื่อนไหวของดินน้ําลมไฟตลอดเวลาการเคลื่อนไหวในระดับที่ห้าในตัวของเรานี่ประกอบด้วยอวัยวะกี่ส่วนเลยนะสามสิบสองนะเอานับให้ดูหน่อยมีอะไรบ้าง เอาคุณมั่วไม่ได้นะคุณต้องมีหลักฐานซัพพอร์ตด้วยนะมีหลักฐานซัพพอร์ตด้อสามสิบอันหนึ่งคุณคุณเคยบวชคุณว่าเกศใช่ไหมแปลว่าอะไรดูมาหน้าขาผมขนเล็บใช่ไหมฟันหนังกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าม้ามส์อ็นตับพังผืดปอดอะไรต่างนับไปให้ครบก็แล้วกันนะมัทเเกมัทหลุงคังกระดองมันสมองในกระโหลกศีรษะสามสิบสองอย่าง สามิสองอย่างนี้ให้ย่อที่สุดให้เหลือสองคนจะเหลืออะไรถ้าสามสองอย่างจำยากใช่หให้ย่อเหลือสองคนจะเหลืออะไรในบทนี้ท่านใช้คาว่าทวัดติงสาการอาการสามิสองมันมีคาว่าอาการเพราะนั้นในสามสิบสองอย่างมันมีเพียงสองอาการคืออาการอะไรนั่งนี้สบายไม้มไม่สบายใช่ไหมคุณเปลี่ยนไปก็มันก็มีแค่สองอาการอาการที่ สบายและไม่สบายเป็นการเคลื่อนไหวของอาการอะไรสามสิบสองเป็นการเคลื่อนไหวของอายยะสามสิบสองส่วนแต่ออกมาเป็นสองอาการคืออาการรู้สึกสบายและไม่สบายนะอันนี้อันที่ห้าอันที่หกคุณนั่งนี้สักพักคุณก็ขอตัวก่อนนะครับไปไหนไปหนัก <laughs> พอคุณนั่นไปที่อาไเวนไนไปเบานะหนักเบาเข้าออกนี่เป็นอาการของดีหรือของเสียของเสียออกละถ้าเรียกว่าอาสุภาหรือปฏิกูระสิ่งปฏิกูลในร่างกายเหมือนรถอะพอคุณสตาร์ปับของเสียเรื่องบ อ, อกแล้วใช่ไหมออกตรงไหนต้องไอเสียไม่จะออกตรงไอดีนะีของเสียเราเหมกันพอเริ่มตื่นมาเริ่มไปเอาของเสียออกเลยใช่ไหมเริ่มด้วยการล้างอะไรล้างเอาล้างหน้า <laughs> แปลงฟันเข้าห้องน้ำหนักเบาไปเรื่อยๆแหละลักษณะของการเคลื่อนไหวของของเสียในร่างกายเพราะนั้นการเคลื่อนไหวในร่างกายจึงมีหกระดับอ่ะนั บ, บิธีหนึ่งสองสาม หนึ่งลมหายใจสองอีบุตรสามอีบุตย่อยสก่อนที่เราจะทํากันทั้งวันนี่นะคุณต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้ก่อนนะถ้าคุณไม่รู้รายละเอียดนี้คุณไปนั่งทําแล้วคุณเบื่อคุณว่าคุณไม่มีเหตุผลสําหรับตัวเองเลยนะคุณแก้ไขตัวเองไม่ได้คุณเบื่อเบื่อเพราะอะไรเนี่ยคุณจะต้องหาโจทย์ให้เจอแล้วทีเนี้ยทา่ทานท่านได้รู้ลแล้วมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องทําตามอนดัที่สี่ที 4, ่ไหนสี่าส่ใช่หมห้าดบและอาการสามสิสองหกอาสุภาหรือปฏิกุละ กรรมฐานนี่ร่างกายแต่ละครั้งจะมีการหมุนเวียนอยู่หกระดับนี้แล้วให้สร้างตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ต่ออาการเหล่านี้ให้ได้เพราะนั้นเราจึงมีการสร้างตัวรู้ได้หลายระดับแต่ในระดับวิธีการหลวงพ่เรเียนดยการสร้างตัวรด้วยการใช้มือแทนลมหายใจเพราะลมหายใจเนะี่ยมันเบาเกินไปเพราะว่าสติเรายัางไม่เข้มแข็งใช่ไหมพอไปตามลมหายใจตามไปตรมาลมหายใจหลับไปเลย <laughs> ลหายใจหายไปหาไปก็หลับไ ป, บไปทั้งคนทั้งลมหายใจเลยทีนี้นนะ <laughs> มันไม่มีกำลังหลวงพ่อเทียนท่านบอกท่านทําอยู่ตั้งแต่อายุสิเอถึงอายุสี่สิบหกนนะมันไม่ไม่เค็ดเลยกรมดานนะมีแต่นั่งหลับไม่นั่งหลับก็บฟุ้งซ่านสองอย่างเนะี่ยยังโมโหยังโรคยังโกรธยังหลงเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านก็เลยเอ๊มันก็ทําอย่างนี้มานา น, นก็เท่าเดิมมันพุทธศาสนามันมีแค่นี้ถ้ามีแค่นี้เลิกนับถือดีก ว, ว่ามไม่มีอะไรมหากรณ์นี้ใครก็ทําได้นะในที่สุดท่านก็มาเจอ อาจารย์เคยสอนเรื่องติงนิ่งเวลาขึ้นได้ว่าติงเวลาหยุดได้ว่านิ่งกรรมาฐานติงนิ่งนะี่ยเอามาจากพมา่าก็พัฒนามาจากตระกูลเดียวกันหนอหนอกับติงนิ่งมาจากตระกูลเดียวกับอาจารย์เดียวกันนะอาจารย์มหาศิษยาดรเนี่ยตอนแรกท่านสอนติงนิ่งเจ้าคุณพี่มุนระธรรมที่กล่าวถึงเมื่อกี้ส่งเจ้าคุณโชดกไปเรียนอยู่3ปีแล้วกลับมาสอนกับคนรุงเทพในสมัย2อง4ี่แจาก2 2งสอมาถึง2 4งสีปรากฏว่ามาสอนคนกรุงเทพได้3ปีไม่เวิร์คนกรุงเทพตอนนั้นรู้จกักพุทโธแล้วนะ จากหลวงพ่อมันเนี่ยก็ามานั่งยกไว้ยกมือเขาเลาไม่ได้ในที่สุดก็เรียกอาจารย์กรรมฐานคือหลวงพ่อชุดกลับไปสัมมนาใหม่ไปเปลี่ยนว่าเนื้อมาคนบางกอกแปลงกอกเข็นพี่พู้นเนี่ยลาไม่ได้นะกการเคลื่อนติงนิ่งเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็น ดูท้องยุบพองซะมันจะได้ใกล้เคียงกับผู้โทรหน่อยนะเอาผู้โทรมาบวกกับการเคลื่อนไหวกลายเป็นยุบพองนะกลายเป็นยุบหนอพองหนอนะในที่สุดก็แต่ปรากฏว่าใ <c> น <oughs> ช่วงเจ้าคุณพิมุนธรรมเผยแพร่เรื่องการกรรมฐานไอ mm hmm. ติ่งนิ่งและเคลื่อนไหวเนี่ยท่านก็ไปเรียกเอาเพื่อนของท่านที่ประเทศลาวอาจารย์มหาปานอนันโทนในสมัยนั้นเป็นผู้นําสงเลาว์มาศึกษาเรื่องนี้ด้วยก mm hmm. ็ตอนที่เจ้าคุณโชดดกไปสัมนาเปลี่ยนวิธีการท่านไม่ได้ไปบอกให้หลวงพ่อมหาปานที่เป็น ผู้นำสงเลาเนี่ยเปลี่ยนด้วยท่านก็ยังทำติ่งนิ่งอยู่ทางฝั่งเลานะั่ที่พอปีสองห้าห้าศูนย์เนี่ยพุทธชยันตีหลวงพ่อเทียนก็ไปไปหาศึกษาเปลี่ยนวิธีการไปพบกับหลวงพ่อพิธีหลวงพ่อมหาปันคือติ่งนิ่งท่านก็เอาติ่งนิ่งติ่งนี่มาทำอย่างนี้นะทันช้ามากเลยเราเข้ามาตรงนี้จะทำสองข้างนะเข้ามาวันี้เวลานั่งจะทำํำจะใส่ที่เวลาจะเดินก็ ถ้ากำหนดก่อนว่าจะลูกเงี้ยลูกหนอลูกหนอก็กำหนดเกาะสาเวลาจะเดินก็ยืนหนอก็ยกส้นยากจะไปจะหยิบพีก็สมิจะดื่มน้ําหรือว่าหยิบหนอแตะหนอยกหนอเคื่อนหนอก็ให้รู้หลวงปู่้เอามาใหม่ท่านบอฝึกไปฝึกมาระยะหนึ่งแบบนี้ท่านก็เกิดสติขึ้นมาว่าทําช้าไปเพื่ออะไรเมื่อกลายเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมไอแบบนี้แล้วก็เคยทําแบบพุทโธแบบหนอมาแล้วนี่แล้วมาทําแบบนี้ช้าลงไปอีกเพื่ออะไรเพื่อที่จะลําเลียง สติสัมปชัญญะเข้าสู่จิตคือเพื่อที่จะสนแก้ทางของอะไรสัญชตาตญาณใช่ไหมที่มันเปลี่ยนที่มันเคลื่อนไหวโดวยที่ไม่ได้ตังรู้นี่ตั้งใจรู้ว่าเกินไปอีกมากเกินไปตัวท่านบกมกก็ทำไปแนะนำก็เกรงใช่ไหมเกรงคนล้มเลยาอาการทรงตัวไม่ไดีล้มไปในที่สุดท่านบอกอทําไมไม่ทําธรรมดาอันนี้ท่านเกิดปัญญาของท่านเองนะท่านก็เริ่มยกธรรมดาแบบสบาสบาย ให้รู้นะรู้ตัวไม่ไวเกินไปนะไม่ช้าเกินไวขอให้รู้เอ๊ะมันก็สามารถมีมีสติสัมปชัญญะกติได้นี่ขึ้นลงเป็น14จังหวะอ่ะทุกคนลองดู